ก่อนมีคนมาเคยมาบ่นหลวงพ่อว่าทำไมต้องไปไหว้พระพระเป็นทองเหลืองไปไหว้มันทำไม <c oughs> <c oughs> เขาเห็นแต่ทองเหลืองนี่เวลาหลวงพ่อไหว้พระนะจิตใจเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนเละจิตใจไม่ได้มีความสุขมีความเบิกบาน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 ถ้าเราภาวนาจะเราพ้นขันถ้าเราจึงจะเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้าเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้าเมื่อไหรก็เห็นธรรมเมื่อนั้นแหละเห็นธรรมเมื่อไหร่ก็เห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้าเมื่อ น, นั้นแหละ น, นี่นพอไปกราบพระมากราบพระมาน่ใจนใึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ที่โหลวงอกราบพระเม่อกี้นะอ่ะต่อไปนี้ตรวจกันบ้านวันนี้ใครอยู่วัดมีไหม จูนเอาว่าไปจูนยังติดอยู่ในพบอยู่มั ว, ม ว, มวอยู่ค่ะติดอยู่ก็รู้อยู่น ะ, ะก็มีหิตํำคาญใจอยากหลุดอยู่บ้างค่ะ<ห>เวลาเผลอๆก็จะอยากหลุดค่ะพื้นฐานจิตของจูนนะมันมีโทส ะ, ค, ะความฟุ้งซ่านตัวนี้เป็นวิบากวิบากจากงานที่เราทหมันต้องน้อมใจให้เกิดอารมณ์ต้องอะไรเข้าไป ก็มีวิบากใช่มันก็ฟุง้งตอนทํางานบางทีเวลาเข็งเขียน ง, งานไปอะค่ ะ, ะก็จะมีแบบสติรู้ตัวขึ้นมาได้แบบว่าเวลาอัตตามันเกิดว่าเอ้ยเก่งจังทําไมเราเขียนตรงนี้ออกอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสติเกิดบ้างเป็นระยะระยะมันก็เลยไม่ถึงกับลังเกียจ ง, งานซะทีเดียวเพราะว่ามันเห็นเน่ยเวลาทํางานเราก็ยังมีสติเกิดได้แล้วมันจะเขียนได้หรือมันก็ไม่ค่อยได้ <laughs> อะไรมีสติขึ้นมามันก็ขาดสะบั้น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 ภาวนาค่ะหลวงพ่อเพราะว่าจุนก็ปัญญาน้อยจุลก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นขณะที่ภาวนาไปจุนจะติดอะไรบ้างค่ะดังั้นถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็เตือนเพราะจุนก็ไม่รู้บางทีช่วงนี้ส่งกันบ้านไม่ค่อยถูกค่ะถ้าติดอะไระอยู่คจิตมันฟุง้งคนะ่ะจิตมันฟุ้งซ่านมีโมหะค่ะแค่รู้ไปแล้วก็มันฟุ้งเนี่ยมันเป็นวิบากของมันอย่าไปปฏิเสธมันไม่ต้องหายก็ได้คนะ ไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ด้วยความเป็นกลางไว้ถ้าใจไม่เป็นกลางใจเราเจอด้วยโทสะเนืองๆเราก็รู้ทันมันค่ะดีล้จูนอีกตัวหนึ่งของจูนก็คือมานาอัตตามันแรงนะมันยึดในความเห็นยึดในความเห็นแรงเแต่ตอนนี้เบาลงแล้วนะตอนลงอา้าวส้มตลงการบ้านก็ตอนนี้จะแบบอึดอัดลำคาญค่ะ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 ตอนนี้ก็เป็นนางงามใช่ไหมตอนไปเป็นนางงอม <c oughs> เป็นขางโคกตายซากอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะนินทามันไม่สวยจริงสุขภาพก็สุดโทมเจ็บป่วยรอแรกรอแรกแค่เอี้ยวตัวผิดนิดนึงก็ยอกละมีอำนาจอยู่มีความสวยความงามอยู่มีคนเอาใจมีผลประโยชน์ให้ก็ได้เขาเอาใจไห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 นั่นตัวนั้นตัวสําคัญนะเนื้อหาสาระที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่สําคัญ <Okay. S 1> เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องไปรู้ด้วยตัวเอง <Okay. S 1> สิ่งที่เราจะต้องหัดต้องเรียนไปให้ได้นะก็คือหัดดูกายหัดดูใจตัวเองให้เป็นเนี่ยใจลอยไปแวบๆรู้สึกไหมค่ะแวบไป3มทีต่อกันแวบแวบแวบเนี่ยสาไปอีกแวบหนึ่งละรู้สึกไหมค่ <Okay. S 1> ะเนี่ยให้คอยรู้ทันนะแล้วรู้เล่นๆอย่ารู้จริงจะรู้บ่อยๆ okay.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 แล้งดูสุกแล้มันจะมีพลังมหาศาลเออให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปนะอันนี้เป็นอํานาจของสมาธิเป็นกําลังของสมาธิเนจะ้าค่ะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วมันทําไมมีความรู้สึกว่าพลังจิตมั น, น, นมีพลังนะจิตของคุณบางออนนะ่ะพลังมันมากนะ๋เจ้าค่ะนี่าเอาพลังไปทําอย่างอื่นเวลาจิตมันมีแรงมากมากนะให้มันมาค้นคว้าอยู่ในร่างกายนี้เจ้าค่ะนะไล่ตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังนะดูมันลงไปทีละส่วนทีละส่วนเลยเจ้าค่ะ พลังที่มหาศาลของจิตนี้จะทำลายร่างกายไปทีละส่วนทำลายทำลายทำลายจนหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วก็มารู้จิตต่ออ๋อเจ้าค่ะโอ้กราบขอพระเดช พ, พระคุณเจ้าค่ะอาต่อไปกราบนมัส ก, การคะ่ะก็ฝึกดูอยู่แต่ไม่ทราบว่าที่ทํานี้ถูกหรือเปล่าคะ่ะไปประคองไว้เยอะไป น, นิดนึงนะปล่อยซะรู้ให้สบายสบายเนี่ยรู้สึกไหมไปกดจิตห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 ให้มันตื่นตัวขึ้นมาแต่อย่าให้มันตื่นตัวค้างตลอดนะนี่ทั้งวันตายเลยนะเหนื่อยนะเอาว่าไปกระดา น, นมาชการหลวงพ่อเจ้าค่ะออตอนนี้มีตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะ เ, เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าคนแก่เนี่ยเวลาดูจิตอย่างเดียวมันเผลอแล้วก็หลับม่วงก็ให้กายช่วยโยมก็เลยได้ วิธีของหลวงพ่อคําเข <Stand> ียนนะคะแต่ทีนี้มันจะมีคําบริกรรมมาช่วยอีกไม่ทราบจะถูกหรือเปล่ามันก็เยอะไปไหนมันก็มากไปภาระมันเยอะไปเอาแต่กายรู้กายรู้ใจนะบริกรรมบริกรรมน่นมันก็เป็นประโยชน์แต่ว่ากับบางคนอย่างอาจารย์มหาบัวเนี่ยบริกรรมตั้งแต่ช่วงจนต้นจนจบทางเลยท่านไม่ทิ้งบริกรรมท่านบริกรรมเรื่อย ะะนะแต่จริตนิสนะัยคนถ้าเราบริกรรมแล้วสติเกิดแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าบริกรรมแล้วรู้สึกเป็นภาระเราก็ไม่เอ า, เาก็เอากายเอาใจไปนะจแต่ว่าถ้าเติมบริกรรมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะไปประคับประคองไว้เนี่มันก็เยอะขึ้นอีกเรา อ, เอย่าไปประคองน ะ, ะแค่รู้สึกแค่รู้สึกนี่อยากจะขอกราบเรียนถามว่า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 รู้สึกไหมใจมันจะเบิกบานขึ้นมาพอจิตใจมันเบิกบานเราก็รู้ทันความเบิกบานใจก็สงบระ ง, งับลงไปมีปัจสัตติพอใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วใจเราก็ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นทั้งหลายทั้งปวง <Okay. S 1> เห็นกายเห็นใจเขาทางานไปจิตมีิวเบิกขาเป็นกลางต่อกายต่อใจนี <Okay. S 1> น่มันจะเดินไปอย่างนี้เรามีสติรู้กายรู้ใจใช่ไหมเรามีสติการรู้กายรู้ใจเรียกว่าธรรมวิจยะ เราคอยรู้ไปเรื่อยๆตัว ว, วิริยะ <Okay. S 2> รู้ไปเรื่อยๆจิตใจเราก็มีความเบิกบานขึ้นมามีปีติเรารู้ความมีปีตินะใจก็ค่อยเข้าสู่ความสงบระงับ <Okay. S 2> เกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นมาใจตั้งมั่นรู้กายรู้ใจไปอย่างมีความสุขนี่คนแก่แล้วต้องฝึกอย่างนี้นะเราก็จะรู้กายรู้ใจไปอย่างมีความสุขเรื่อยๆ <Okay. S 2> กายมันก็จะเบาจิตมันก็จะเบานะ ไม่ใช่กายหนักจิตหนักกายมันเบาจิตมันเบาเพราะเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องเล่นอย่างนี้เราถึงจะเดินไหว<ช>นะของโยมนี่มีจงใจมากไปไหมคะไม่มากแล้วนะ<ช>เหลือนิดหน่อย<ช>ของโยมใช้ได้นะขอบคุณมากอา้าวต่อไปเอาให้แม่ชีก่อนไหมค่ะกำลังฝึกอยู่ค่ะแล้วก็ได้เห็นโทสะแล้วค่ะ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 กลับนมัส ก, การเจ้าค่ะโยมอาตอนนี้ก็รู้ว่าตื่นเต้นเจ้าค่ะแล้วที่โยมได้ทําจิตของโยมนั้นมักจะบทสวดมนต์นี่รู้สึกว่าจะถูกจริตจะข้ามจะจะเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมได้ได้เราสวดมนต์นะแล้วเราก็รู้<ช>ทันจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่านะหรือสวดมนต์แล้วก็รู้ทันร่างกายเห็นร่างกายมันอ้า ป, ปากพะงับปะงับไป เห็นอย่างนี้ร่างกายมันพยักหน้านะเจ้าค่ะร่างกายมันพยับปากละขยับแล้าค่ะและที่ขอบประทานโทษเจ้าค่ะเวลายโยมนะเจ้าค่ะคือว่าเดินส่วนม า, จากจะรู้กายเจ้าค่ะรู้กายแล้วก็ดูจิตเมื่อเช้านี้โยมก็ไปกราบหลวงปู่เจ้าค่ะโยมก็จิตจิตแล้วลึกรู้ดวงตาของหลวงปู่เจ้าค่ะจิตจิตโยมก็บอกว่า บอกว่าหลวงปู่นั้นได้มองโลกสัสตว์โลกด้วยความสงสารจิตโยมก็ปิติน้าตา <ihn S 1> ก็จะไหลออกมาเจ <ihn S 1> ้าค่ะ <Job. S 2> ก็ดีนะเราคิดถึงครูบาอาจารย์มีสังคารุสติจิต <c oughs> ใจเราก็เกิดปรับเรื่มมีปิติเนี่ย <c oughs> เรามีปิติเราก็รู้ว่ามีปิตินะ <c oughs> เราก็จะมีปิตินี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติมีปิติมีความสุขโฉยขึ้นมาเป็นระยะระยะนะ แล้วที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องมีการบ้านที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ว่า<ะ>ต้องปล่อยมันมากกว่านี้นิดนึงเจให้มันสบายกว่านี้นิดหน่อยจานี่มันเครียดไปนิดนึงอ่ะอไปเชิญไปทานข้าวเดี๋ยวหลงอยู่อีกนะอย่าหนีนะนิมนต์ครับนิมนต์